ตกอยู่ในอำนาจของความปรารถนาชั่วเมื่อโกกาลิกาภิกษุกล่าวอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับโกกาลิกาภิกษุดังนี้ว่าโกกาลิกาเธออยากกล่าวอย่างนั้นโกกาลิกาเธออยากกล่าวอย่างนั้นเธอจงทาจิตให้เลื่อมใสในสารีบุตรและโมคลานะเถิดเพราะสารีบุตรและโมคลานะเป็นผู้มีศีลเป็นที่รักแม้ครั้งที่สอง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 พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับโกกาลิกาภิกษุดังนี้ว่าโกกาลิกา ok เธออยากล่าวอย่างนั้นโกกาลิกา ok เธออยากล่าวอย่างนั้นเธอจงทําจิตให้เลื่อมใสในสารีบุตรและโมคคลานะเถิดเพราะสารีบุตรและโมคคลานะเป็นผู้มีศีลเป็นที่รักแม้ครั้งที่ 3, ok ika, สโกกาลิกาภิกษุก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า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 ครั้งนั้นโกกาลิกภิกษุได้มรณาภาพเพราะอาพาธนั่นเองแล้วไปเกิดในปทุมนรกเพราะมีจิตผูกอาคาตในท่านพระสารีบุตรและท่านพระโมคคัลลานะครั้นเมื่อราตรีผ่านไปถท้าสห บ, บดีพรมมวัดนะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วพระเชตวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโกกาลิกภิกษุมรณะภาพแล้วไปเกิดในปทุมนรกมีจิตผูกอาคาตในท่านพระสารีบุตรและท่านพระโมคคัลนะคลั้นเท้าสห บ, บดีพรมกราบทูลดังนี้แล้วถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาค กระทำารทักษิณแล้วหายตัวไปณที่นั้นเองลัตราตรีผ่านไปพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายคืนนี้เมื่อราตรีผ่านไปเท้าสห บ, บดีพระมีวันนะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีสว่างทั่วพระเชตวันเข้ามาหาเราถึงที่อยู่อภิวาสแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กล่าวกับเราดังนี้ว่า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 ค่าแต่พระองค์ผู้เจริญประมาณอายุในปทุมนรกนานเท่าไหร่หนอพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุประมาณอายุในปทุมนรกนาน น, านักประมาณอายุในปทุมนรกนั้นยากที่จะนับได้ว่าประมาณปีเท่านี้ประมาณร้อยปีเท่านี้ประมาณพันปีเท่านี้ประมาณแสนปีเท่านี้ ภิกษุทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์จะยกอุปมาได้หรือไม่พระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าได้ภิกษุแล้วตรัสว่าภิกษุหนึ่งเกวียนเมล็ดงาของชาวโกศลมีอัตรา20่สขารีล่วงไปแล้วแสนปีบุรุษจึงนําเมล็ดงาออกจากเกวียนนั้นหนึ่งเมล็ด มเมล็ดงาหนึ่งเกวียนของชาวโกศนซึ่งมีอัตรา20ิบคารีนั้นจะพึงหมดไปโดยทํานองนี้เร็วกว่าแต่ว่าหนึ่งอัมพุทธนรกหาหมดไปไม่ยี่สอัพุทธนรกเป็นหนึ่งนิรภพุทธนรกยีสินิรภพุทธนรกเป็นหนึ่งอภพพุนรกยีอ่อภพพุนรกเป็นหนึ่งอุทหนรก20สบอุทธนรกเป็น หอัตตนรก20อัตตนรกเป็นหนึ่งกุมุทธนรก20กุมุทธนรกเป็น1โสคันธิกะนรก20โสคันธิกะนรกเป็น 1. อุปละนรก20อุปละนรกเป็น 1. นปุนทริกนรก20บุนทริกนรกเป็นปฐุมนรกโกกาลิกกพิษุ ไปเกิดในปทุมนรกแล้วเพราะมีจิตผูกอาฆาตในสารีบุตรและโมคลานะพระผู้มีพระภาคผู้สุคตาสสดาได้ตรัสเวยากรณภพาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าพลสวาจาเป็นเหมือนพึงเครื่องตัดตนและคนพาลผู้กล่าวคำชั่วย่อมเกิดที่ปากของบุรุษ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 บุคคลผู้ตั้งวาจาและใจอันชั่วติดเตียนพระอริยะย่อมเข้าถึงนรกสิ้น 136,000 นพันนิ 6, นรัพพุทธกัปกับอีกห้าอัพพุทธกัปโกกาลิกสูตรที่10บจบ